รวมเรื่องที่มีในปัญจสติกะขันธกะเมื่อพระผู้มีพระภาคเสเด็จปรินิพานท่านพระมหากัสสปะผู้รักษาพระสัรทธรรม ชี้แจงต่อหมู่สงฆ์ถึงถ้อยคำที่พระสุพัต t ะกล่าวดูหมิ่นพระธรรมวินัยเมื่อเดินทางจากเมืองปาวาพระมหากัสปะจึงกล่าวว่าพวกเราจะสังคยนาพระสัต ธ, ธรรมก่อนที่อาธรรมจะรุ่งเรืองพระมหากัสปะคัดเลือกภิกษุทรรมสังายนา499รูป ต่อมาสงแนะนําให้เลือกท่านพระอานุ์ด้วยภิกษุสง์จําพรรษาอยู่ในถ้ำอันเหมาะที่จะทําสังขยนาพระธรรมวินยัยเมื่อคราวสังขยนาพระมหากัะสปะถามพระวินัยกับท่านพระอุบาลีถามพระสูตรกับท่านพระอานนุ์ผู้ชาญฉลาดสาวกของพระชินาเจ้าได้สังขยาณาพระไตรปิฎก สงได้สอบถามเกี่ยวกับพุทธดำรัสที่ว่าด้วยอาบัตเล็กน้อยต่อจากนั้นจึงลงมติว่าจะปฏิบัติตามที่ทรงบัญญัติต่อจากนั้นสงปรับอาบัตท่านพระอ น, นุ์เพราะไม่กราบทูลถามเกี่ยวกับอาบัตเล็กน้อยเพราะเหยียบผ้าของพระพุทธองค์เพราะอนุญาตให้มาตุคามให้ไหว้พระพุทธสรีระ จนน้ำตาเปียกพระพุทธสรีระเพราะไม่กราบทูลขอให้พระพุทธองค์ดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพราะกราบทูลขออนุญาตให้มาตุคามออกบวชท่านพระอนุนยอมรับอาบัตทุกกฎเพราะเชื่อฟังภิกษุผู้เถระทั้งหลายต่อมาท่านพระบุราณนะเดินทางมาจากทักคีนาคิรีชนบท ไม่ยอมรับผลการสังขายนาสงลงพรหมทันแก่พระฉันนะพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนถวายลาบส ก, การะแก่ท่านพระอา น, นุ์ผ้าได้เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากท่านพระอานนุ์เอาผ้าจีวรเก่าทําเป็นเพดานทําเป็นปลอกฟูกทําเป็นผ้าปูพื้นเป็นผ้าเช็ดเท้า เป็นผ้าเช็ดทุลีต่อจากนั้นขยากับโคลนฉาบทาฝาจีวรหนึ่งพันผืนเกิดขึ้นแก่ท่านพระอา น, นุ์เป็นครั้งแรกพระชนนะถูกลงพรมทันได้บรรลุสัจธรรมภิกษุผู้เทระผู้เชี่ยวชาญห้าร้อยรูปสังขยาจึงเรียกว่า ปัญจสติกะปัญจสติกะขันธกะจบ